เสียง่านหนังสือคู่มือชีวิตรวบรวมและเรียบเรียงจากธรรมเทศนาของสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ปออประยุตโตโดยพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่14แนวทางการใช้ชีวิตให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์รวมการจัดการชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนื้อหาคัดมาจากหนังสือหลายเล่ม ยักได้ดเป็น12หมวดหลักนะครับประกอบไปด้วยเรื่องการศึกษาการทำงานการใช้เทคโนโลยีชีวิตคู่การดูแลลูกการดูแลครอบครัวความสุข5ขั้นการทำบุญสมาธิภาวนาธรรมะสำหรับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและการตายอย่างเป็นสุขเฉพาะเวอร์ชั่นเสียงอ่านจะมีหมวดพิเศษที่จัดทำเพิ่มเติมคือเรื่องขีหิววินยัยจากหนังสือวินัยชาวพุทธ เพื่อสรุปแนวทางการใช้ชีวิตในตอนท้ายเป็นหลักปฏิบัติที่ควรนำไปยึดถือปฏิบัติซึ่งเป็นพุทธวจนะโดยตรงที่ควรศึกษาอย่างยิ่งนะครับเสียงอานชุดนี้จดัดทําโดยเจ้าภาพร่วมหลายท่านจะบันทึกไว้ในตอนต้นของแต่ละหมวดและท้ายบทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพและผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่านด้วยนะครับหากท่านใดต้องการร่วมสนับสนุนสร้างสื่อทํากับชมรมพลดีดูรายละเอียดได้ที่ jcho net หรือที่แฟนเพจ jcho เสียงธรรม ขอขอบพระคุณในการสนับสนุนทุกช่องทางจนสามารถทำงานสร้างสื่อธรรมออกมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยคุณชมรมผลดีสิงหาคมพุทธศักราช2564